ท่านถามว่าอาวันนิพพานน่ยคืออะไรงาบอกว่าไม่รู้เพราะไม่เคยไปนิพพานห ม, มาเคยจะ ไ, ไปเคยได้เห็นมนุษย์เนี่ยยังไม่เคยเห็นนิพพานแต่ว่านิพพานอนะ่ะกินไม่เป็นห่วงนอนไม่เป็นห่วงไมให้ปัญหานะท่านบอกกินไม่ต้องห่วงนอนไม่ต้องห่วง เราไม่ต้องไปแสวงหารวมรังมาตั้งที่ใจมันจะตายที่ไหนก็ช่างมันมันหลอกไปครับไปคนคว้าเอาถ้าใจใจของเราจะมีรวมรังมาอยู่คือจิตของเราจะไปยึดถืออะไรกันอยู่แล้วก็นั่นแหะเขาเรียกว่าจิตเราจะมีรวมรังถ้าในใจของเราไม่มีอะไรมาตั้งเลยเ้าเรียกรวมรังไม่มีมเขาเรียกว่านา นิพพานอยู่ที่คนไม่มีอารมณ์มีตัวกระทําั่นเรียกว่ากินไม่ห่วงจะไม่ห่วงทําไมเรื่อกินกินมันก็เลยมีกายนอนก็มีกายสิซู่ไม่กินไม่ต้องห่วงกินห่วงห่วงนอนดีกว่ามันก็เลยมันมีกายมากินมานอนนั่นแหละท่าบอกนิพพานอยู่ตรงนั้นแล้วทานก็บอกว่านิพพานอ่ะนหนาแล้วมาลับนะี่ยเรื่องของนิพพาน คือศึกษาชีวิตขึ้นตนเองจนรู้จักคาว่าชีวิตที่เกิดมาเน่ามาเปื่อยมาหลายตัวแล้วก็ไม่ไปยึดถือไอ้ความเน่าความเปื่อยนั่นะ น, นิทานงั้นใช่าหมโอ้โหไป้นคว้ากันหน้าดูเลยเ ก, เ, กเกือบเอกียบเกเว่าชีวิตเป็นผุยผงในฐะานนะผู้ผู้สึกผู้รับผู้รับผู้รับมาส่งเป็นอย่างไง กลัวตองเกงยังนะตายไหนช่างเหมือนอาก็บางทีจะขันข้าไปางี้เคยเคยเคยพูดๆในพระในฟังเนละยฉันฉันวันนี้สบอกขายออกนะปัญหาเนี่ยนะนะกินเข้าไปเนะี่ยต้องขายทิง้งกินเพล่อล้มว่านบอกขายทิ้งไปเลยเวลาจะเกลืนอยู่แล้วนะเคี้ยวเคี้วไปบอกปัญหากินขายทิ้งนะต้องขายทิง้ง เขาเรียกว่าทำสองกินแบบอุเบขานะครับกินแบบเฉยท่านเขาบอกว่าสัตว์อะไรที่กินแล้วไม่รู้จกักรสจงใช้สัญชาตญาณของสัตนะว์นะหนก็เคยได้ยินแล้วเคยได้ยินกัพู่กันสัตว์ที่กินไม่มีไม่รู้รสก็คือไอ้เค กินยังมีลถนี่ยังไปไม่ได้ก็เลยว่าจะกำหน ด, ดไม่ถึงแม่บางครั้งอาเขาเสียน้อยใจยังไงของดีๆฉันเข้าไปให้คลายออกติยกอะไรอย่งเงี้ยสุขสมโภคไม่ว่าถ้าเสียเลยนะกินด้วยตัณหาเห็นกับไอ้ตัวอั่ลอยกินไปรยระวังกันน้อยหน้าอะไรเงี้ยหมือนอย่างที่มันอาเจอมาพูดให้พวกเราฟังพูดไปๆระวังกันน้อยหน้า ไปเจียวติพนนโนไปเจียวว่าตอนนีเขาเรียกว่าคือเปิดกรดขี้กำพอยของกำเราคิดว่าเป็นไรแล้วมันนั่งปีนั่งเตียนนั่งว่าเขาไปอิจฉาลิขสตยานั่งเคลืนั่งหน้าเป็นมะกรุ๊บมะคลนแล้วกันเนี้ยแล้วคิดว่าดีมั้ยเนี่ยก็ได้ียกว่าคี้กำพอยจะเผาตัวเองใบไม้ที่มันตกมาจากต้นเนี่ยมันตกมาทีละใบละใบแต่มันมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เผาต้นได้ ไม่ว่า 2019, ต้ น, นไม้ต้นไหนต้นเล็กต้นใหญ่แล้วมันตก ม, มามากๆแล้วเกิดไฟขึ้นมาแล้วต้นไม้ตายเลยเหมืนอย่างอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยที่เราไปเก็บไปสะสมกันมาเนี๋ยวมันคิดว่าไม่สาคัญเลยแตอนี้อารมณ์ต่างๆที่เราสะสงกันมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็เหมือนกับคิเมกรวมตัวก่อเล็กก่อนน้อยก่อนเล็กก่อนน้อยมันไม่มีพิษตรงไอ้ก้อนที่แตกกันไปแตนี้ไอ้ก้อนเล็กๆๆเนี่ยทํามันเกิดมา รวมกันปุ๊ขึ้นมาเงี่ยมันจะมีน้ําหนักเขาเรียกว่าน้ําหนักกดลงเมื่อมาสู่บรรยากาศของทวันโลกแปล ว, ว่าอากาศมันก็ดึงลงดึงลงก็อากลายเป็นฝนที่เรียกว่าถูกอากาศทำลายกลายเป็นน้ําตกลงมาที่เราเรียกว่าเปน้ําฝนมันก็มีพิษนะครับนะแต่เหมือนอย่างอารมณ์ของเราที่มัเก็บเล็เก็บต้อยกันอยู่ในะลัทธิความสาคัญ เนื้ออยาพระชีญาเจ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยกิริยาจริงๆก็ยัไม่ค่อยเรียบร้อยกันเท่าไหร่แบบน่ะถ้าจะถ้าอากันจริงๆไม่ต้องเรียบร้อยกว่านี้อีกเวลานั่งพักนั่งอะไรนี่จะนั่งแต่หัวนี่ต้องนั่งพอเพียบมันไม่ได้มานั่งเหยียดแข้งเยียดขามันจะก็จะไปแทงหวยแทงโป๊อะไรกันที่ไหนอย่างเงี้ยยังไม่รู้จักแสดงว่ายังไม่รู้จักจิตยังไม่รู้จักอารมณ หากสมมติอย่างพระเจ้าท่านนั่งอยู่ที่นี่แสดงทางทีเนี่ยเราจะกล้านั่งเหยียดขาไหมเนี่ยมาคิดดูแต่จะกล้ากล้านั่งเหยียดขามองดูท่านอาท่านนั่งอยู่มเนี่ยเราก็ยังไม่เก่งเลยก็ยังไม่รู้เลยว่ากิจยากลยขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะเป็นกิจยาอะไร อาณาเขตที่เราเรียกว่าอนณาเขตการกระทําม่ควรจะวางสริยาอย่างไรว่างบางทีเราก็ขาดสติบางทีก็มีสติอบางทีพูดใหฟังก็ไม่ใช่เปเคยพูดนั่นเนี่ยเคยพูดให้ฟังเป็นที่พูดพูดไปเดี๋ยวมาอีกแล้วมันเหมือนก้พวพังแหนะโต๊ึ้นไปบางทีก็หายไปเห็นน้าําใสทัทีพนันไปนานเดี๋ยแหนะเต็อีกแอืวเป็นง ของเล็กของน้อยต่างๆที่มีการศึกษาเรื่องราวของธรรมเนี่ยก็ต้องโสละจับจริงๆนะโศละจักนันแปลว่าอะไรความ ส, มบสมงบเสงบขันติคือความอดทนสองประการเนะี่ยเป็นธรรมประจําสําหรับคนที่อยู่ในข้อปฏิบัติถ้าดูในข้อปฏิบัตินะี่ยังขาดฟังขันติขาดโสละจักมันก็ยากที่จะเป็นระเบียบ มันจะต้องมีขันติมันจะต้องมีโสรัจ แ, แม้ถ้ามาเห็นพระพุทธเจ้าข้าวนิพพานก็โอ้โป่านนี้ก็คงจะเข้าไปหมดไะกคริยาแห่งการฟังธรรมคติยาแห่งการประพฤติธรรมในธรรมาตรวจสอบเขาเรียกว่าดูแลแก้ไขไงชีวิตประจําวันเกิดขึ้นมานะ่ะดูแลชีวิตตรงเพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีไอ้สิ่งไหนดีก็ทําดีให้มากขึ้นทีไหนไม่ดีก็ปรับปรุงมาต้องดูทุกส่วนตัดของอนุ อ่านุก็แปลว่าทุกเส้นขนของเรามันก็ว่าละเอียดขึ้นเมื่อเวลาขบเวลาฉันนี่มันก็นกต้องระมัดระวังเวลาจะนอนเวลาจะยืนเวลาจะนั่งอะไรพวกนี้ต้องมีระเบียบมีวินัยทั้งนั้นนะ่ะนักบวชหรือนักบวชที่เข้าถึงธรรมะนิสัยนิสัยของเระ อาจารย์เ <si> นี่ยแปลว่าอาจารย์เนี่ยคนน่ยไม่ใช่เป็นก็ได้ง่ายนะเป็นอาจารย์ปลอมอาจารย์สังฆศีอาจารย์กระอาจารย์กระเบื้นอาการดินเผาอะไรอาจาย์จริงๆอาคําว่าอาจารย์อันเนี้นะที่เราพูดพูดกันเนี่ยอาเนี่ยมาจากคําว่าอรหันนะพระอรหันนะอาจารย์หรือจัญญาเนี่ยกิริยาหรือจัญญาความประพฤตของพระอรหันสามประการ ที่ประกอบขึ้นมาว่าเป็นแก้วกายเป็นแก้ววาจาเป็นแก้วจิตเป็นแก้วเนะี่ยคนนั้นสมบูรณ์แล้วจึงจะเรียกว่าอาจารย์นึ่งอ้ายเห็นว่าในโลกเนี้ยมีอยู่องค์เดียวที่เป็นอาจารย์ได้ก็คือองค์พระพุทธเจา้านาคนนั้นก็เป็นอาจารย์ทางสีอาจารย์กระเบื้องล่อนไปล่อนมาอาจารย์ดินพงดินเขาโพโลกธาตแต่หมดหมดเนี่ยนี่เป็นงไง อันนี้บางคนก็ไม่ไม่บางคนก็ไม่เข้าใจทาอาจาย์ังอย่างจะเป็นอาจารย์เขาอะเป็นอาจารย์หุ่นก็บอกเป็นอาจารย์หุ่นไร่อะไรเขาเรียกหุ่นไล่กาไม่รู้เรื่องรู้ลาเราเป็นอาจารย์รง้ล า, นาเองก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นอาจารย์นะเป็นแตเะะ่เพียงว่าผู้ผู้ชี้แจงทำจัดจัดของอาจาร อ, อาจารย์อีกทีเขาเรยียกองค์ผู้ศีษจ้า มีความยินดีอยู่แค่นี้ที่เขาเรียกเป็นผู้รับใช้องค์ธรรมหรือว่าเป็นผู้รับใช้องค์นนครัตนนาฏใจรัตนนาฏใจที่นำมาพูดมาชี้มาแจงมาแนะำนำนี่ไม่ใช่ของงอาแล้วเป็นผู้รับใช้เฉยๆนำมาให้ดูนำมาให้ศึกษานำมาให้พิจารณาเป็นอาจารย์ได้กระโดกกระเดกอย่างี้ดูกิริย า, าบางครั้งก็เหมือนเราเหมือนไหะ โดกก็เด็กงี้ไม่จะาจาอะไรเกินไดเนอะแล้วไม่เคยคิดจะเป็นอาจารย์มันเป็นไม่ได้ไม่ได้ไงแล้วเราจะเป็นมันเนี่ยแต่ก็เป็นอาจา่ามันเนี่ยบางคำแปลเขแล้วอยากเป็นอาจารย์มันเนี่ยอาจารย์มันในอารมณ์ก็ยังไม่รู้จักตัวกระเทาะก็ยังวุ่นวายยังเกกียดกะเอ๊ะเป็นอาจารย์ใครเขาเนี่ยหน้าเงาหน้างอหน้าบึ้งหน้าตึงหน้าแดงหน้าเขียวไรอย่างงี้ เช้าหน้าใสอ่ะเชา้ากนาใสดีกลางวันก็นกลายเป็นปหน้าเทียงหน้าพระอาทิตย์ไปเงี้ยเนะจะเป็นจาก็ได้ยังไงพราฉนั้นผู้ปฏิบตัตินะเขาต้มีธรรมสองประการนี่กำกับจิตเาไว้เสมอเลยว่าจะเห็นตนเองดีแล้วแล้วก็ต้องมีธรรมสองประการกำกับจิตไปชั้นหนึ่งก็เรียกว่าขันติและโศลจันี่สองประการ ในอันที่เราจ ะ, จะเจริญสินสมาธิปัญญาเยี่ยงอย่างพระพุทธองค์แยาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างความรูพื่อขึ้นตนให้พ้นจากคาว่าอบายอบายภูมิทั้งหลายคือมาคือนรกสัดเปตะอสุรกายเป็นมนุษย์ที่ดีมีศีลธรรมหรือไมกก่ก็เลยจากมนุษย์ดีมีศีลธรรมกลายเป็นเขาเรียกอะกลายเป็นพระผู้สําเร็จสําเร็จขึ้นจากสิ่งที่เรียกาอาาันตรายสิ่งที่ตนเองทําในสัจจะของธรรม หรือในเหตุผลของทรามเนี่ยเป็นอย่งงเดี๋งานนะถูกทดสอบทดลองทดสอบทดลองมาจนโอ้ยทำไมถ้าไม่มีหน้าที่คงไม่ได้มาอย่างนี้เพาะเพามาตามหน้าที่จู่ๆก็มาเอาเอาเอาก็เอากัน ลองมาสอนมาม า, มาลองอ่าวางคำโลภุตระดูดึงศูนยโลภุตระลงมาเยีงย่งอย่างนรกสัตว์อินพลมพระนิด่ดึงลงมาหมดเขาเรียกว่าให้บรรลุซึ่งอารมณ์และตัวกระทําและให้บรรลุ ป, ปรมันธรรมติดตอนนี้ทัานแท่พูดแค่แล้วมันก็พอได้ประดับเหตุผลของธรรมไปแต่ว่าจิตมันยังไม่เข้าถึงคําว่าบรรลุจริงๆ ถาบรลุจริงๆอจิตต้องเข้าถึงจิตต้องเข้าถึงก็ต้องจิตว่องไวไปจิตเตอตาเตอซาเดินหลงอีกมันต้องจิตที่มีสติมีปัญญาเฉลี่ยไว้ต้องกํากับด้วยคําว่าพุทธโธพุทโธพุทโธแล้วพุทโธนั่นเป็นเครื่องหมายของคําว่ากากับจิตอยู่แล้วพุทรู้โธสงบพุทรู้โธสงบรู้ละรู้ละรู้ปล่อยรู้วาง รู้อะไรทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายไม่ต้องละวางอังที่นเราาปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาเดิจนจรมนั่งสมาธินี่เขาเรียกว่าละวางเขาไม่ได้หวาดเขาไม่ได้หวัดเขาไม่ได้ว่ายึดเดินอยู่ในการกระทําของกระเขาไม่เรียกว่ากิริยาของกรรมถ้าเราเดินอยู่ในกิริยาของกรรมนั้เาเรียกว่าตัวกระทํานําเกิดนั่างนี้เขาเรียกว่าการการะทํ า, ร, า ร, รมนำหยุด หยุดด้วยอะไรหยุดอารมณ์แล้วก็หยุดตัวการทำได้คำว่ากาการทำของชั่วมันคนละหมดกันนะคนที่ก็มีสติมีปัญญาโดยเฉพาะสิทธะท่านเดินถุงกลมเดินอยู่ในป่าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปทายานสายสายไปขณะท่านเดินไม่หยุดเดินมัง่งนั่งมังเดินมังนั่งอ่อนเตียนนั่งทั้งต่อพัดคอสายญาติของท่านไปขอไม้กิ่งไม้ใบ ไ, ไม้กว่าดเข้ามารองรับการได้ม่น้อ ย, อยไปทนอดทนหยาบแ่บ ท่านปลื้มใจในสิ่งที่ท่านเดินตามทางของพระเพรามันหยุดอารมณ์แล้วก็หยุดตักระทำแล้วท่านจึงพอท่านไม่ได้ว่าฉันานความพอใจอยู่ในกิริยาของพระอันนี้คนที่ไม่มีสติมีปัญญาก็ไม่เห็นคุณค่าทางของพระวมาเป็นประโยชน์ก็ไปสนใจในอันที่จะปฏิบัติตามพระเลยอยากจะมีเวนอยากจะมีกรรมอยากจะมาชอบทำเหมือนชีวิตของตนเองอย่างที่เคยชอบทำมา โน่นโมไปยินดีอารมณ์โน่นตกระทำโน่นไปตกสนาเธินะฮะกินเข้าไปนอนเข้าไปสะสมเข้าไปกินเข้าไปนอนเข้าไปสะสมเข้าไปผลที่เกิดเกิดก็มัเป็นควายตกกรหกหมูวายเป็นมนุษย์เบ้าบ้าเบาวบอเห็นไหมล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเดินอยู่ในอารมณ์ก็ตกเป็นท่าของตัวกระทำถ้าเดินอยู่ในการกระทำนี่เขาเรียกว่าจุดอารมณ์แตัวกระทำเนี่ยเขาเรียกเหตุผล ถ้าทางเส้นนี้การกทําอย่างนี้ไม่ดีแล้วผู้ยิ่งจ้าจะได้ดียังไงจีตกระทําไม่เชื่อจิตของท่านในชื่อว่าจิตพุทโธจิตโลจิตละว่าอะไรอะไรเป็นลักษณะที่เรียกว่าทุกอะไรเป็นลักษณะสุขท่านถึงบอกว่ากายของท่านทุกแต่ใจของท่านสุขอยู่เลยทัางถึงแม้เวลานี้ไม่มีนางสนมกรมานายอะไรจะมายกสำรับมาถวายไม่มีพิมพาไม่มีพิมพาปูที่ดับที่นอนถ้านก็เป็นสุข มือของท่านในกวาใบไม้เข้ามาหาขอนไม้กับกาลทำๆคำ่าๆจะมารองสีเสานอนถ้านก็ไ ป, ไปสุขไม่ต้องไปนอนอที่บรรคมที่มันอ่อนนุ่มมีน้ําหอมน้ําตุงน้ําอะไรอยั่วย่ำทาให้เกิดเป็นทุกข์นี่เห็นไหมท่านถึงบอกว่าท่านเดินอยู่ในทุกข์เนี่ยแต่ใจท่านเป็นสุขอยู่ในธรรมตีไวันจุดอารมณ์ด้ยหยุดตัวกรรมได้ แต่ในลักษณะอย่างนี <ương> <me> ้คนเราเนี่ยมักจะไม่เห็นเป็นประโยชน์คือไม่เห็นการปฏิบัติธรรมของท่าของของพุทธเจ้าเน่ยเป็นประโยชน์เลยไม่หยุดแค่สินถือสินหาสินปลายสินสิบสินสองร้ซื้อการประเพณีก็เรียกว่าสินว่าจารเห็นหน้าพระแ่าอลังกาลมายังพันเตติติเสนแลษสะปัญจอัฏฐะว่ากันปัดเจอไ้กันปัดเจหน้าจะได้ปัญจอัฏฐะอีกแก่เจอหน้าจะได้ปัญจอัฏฐะอยู่ยังงั้น เนี่ยเ า, าหยุดถึงแค่สินบาจ่าแล้วดูสินบาจาน่ะมันหยุดๆแล้วมันมไปหยุดที่จาได้แล้วก็ไม่รู้จักกิริยาของศินด้วยนี่เนะี่ยท่านนึ่บอกว่าถือสินบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเพราะเราถือสินไม่บริสุทธิ์จึงเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เลย่อยมานะ็ไปหยุดสินแค่บาทจ่าเฉย บางคนนี่ถือศีลมาเข้าวัดมาตั้งสิบปียี่สิบปียังไม่รู้จักอารมณ์ยังไม่รู้จักจุดจุดอารมณ์ได้จุดตัวการทำได้สมาธิดีๆมือไม้ทําดีๆเดี๋ยวจะเสียกิริยานะไหนๆเราจะทําสมาธิทําให้ดีถ้าเรามันเมื่อยมันปวดจริงๆก็นั่งลงนั่งลงทําสมาธิดีๆถ้ามันไม่ไหวนะมือไม้มันจะหย่อนมันจะยานลงไปแล้วก็ไม่ไหวแล้วปวดหรือเกินแล้วก็นั่งลงสักแล้วก็เดินก็เดินดีๆ เดินสำรวมดีๆไม่ต้องไปเดินรีบร้อนไม่ต้องเดินไปเดินมาเหมือนเราไปเดินแข่งขันเอาเวลามาลาทอนเอาถ้วยเอาถ า, างที่ไหนเ้าเรียกว่าเดินสํารวมกายสำรวมจิตมันเมื่อยแล้วก็นั่งลงนั่งลงก็นั่งให้ดีๆถ้ามันนั่งแล้วมันโู้ปวดปวดมันเมื่อยเท่าไม่ไหวแล้วก็ยืนขึ้นมาว่างเนี่ยวเนกันไปเปลี่ยนกันมาเขาเรียกกิริยาของเรามีทั้งสี่ประการแต่เขาไม่ได้ฝึกอีกิริยาหนึงคือกิยาสายหยา สติของเรามันไม่เหมาะสมที่จมาฝึกมาฝึกสายญาตขนาดเดินขนาดนั่งขนาดื่มันยังแกไปคือไอ้จบเถิดสติง่วงเหงาหงนอนคนที่ตัดกิริยาสายญาติจิตมันต้องแข็งแข็งจริงๆเหงือี่กฝึกหน้าต้องขันติอดทนจริงๆแหมเอาเอาแข็งก็เรามาการขึ้นมาแล้วก็เราเรียกว่าชันชันก็สอบลงไปแล้วเอามือมาต่อศีรษะเอาไว้เนี่ยโอ้โหทำไมขันติจริงๆกันเดี๋ยวก็ ทริลแล้วเดี๋ยวก็หงายท้องฝืงลงหาหมอนตัวนี้ก็ไปเลยตีตัวตลอดสุนเทพเชียงใหม่โนดสองสามชั่วโมงก็ตื่นมาคือมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่วีสายทั้งลาที่จิตอ่อนๆนี้จะฝึกสายยากฉะนั้นก็ฝึกเอาแค่ยืนแค่หนั่งแข่เดินก็ดีๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแค่นี้ก็ดีแหละนะ ไหนจะเดินทั้งทีเดินให้ดีนังน่งทั้งทีนั่งให้ดียืนทั้งทียืนให้ดีอติตดึงระบบ ก, กาบเปลี่นนั่งกับกระโร ก, กรารเปลี่มันเป็นรูปเป็นทรงเดินไปนั่งมาตลอดแหลกแหลกมือไม้กับ ม, มือวางตรงไหนทํายังไงต่อไหวลู้รู้เหมือนกั น, นแต่ไม่ไวหวหรือสติเสียสติไปเล ย, เลยก็เรียกว่าเสียกัญญาธรรม คือทั้งทําให้ดีเขาเรียกว่าสํารวมแปลว่ามี ม, มีมีปัญญารักษาความดีกันนะ่ะอย่างที่พูดให้ฟังเมาาื่อนตะกี้เราต้องมีปัญญารักษาสมาธิสินของเราถึงจะดีขึ้นได้คือแล้วรักษาดีนั่นเองไม่มีปัญญารักษาดีเราจะได้ดียังไงมาทํากระโขกกระเพด ก, ก้าไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทําดีได้นะ่ะคือคนที่มีความสามารถนะั่นแหละ คนที่มีความสามารถประกาศว่าฉันทําดีได้นะผมทำดีได้นะอะไรอย่างนี้ผมบวชมาเนี่ยผมรับอาสาวผมทํำได้ผมเข้าใจอะไรอย่างนี้ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ว่าผมบวชมาเนี่ยผมจะไปทะเลาะเขาเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้ละแต่หนอกบวชมาแล้วเราทำให้ดีใช่ไหมล่ะบวชมาแล้วไม่ต้องทะเลาะนะ ทะเลาะ ก, กันได้ไหมถ้าทะเลาะไม่ได้ไม่ได้นะต้องทะเลาะอนะอะไรอย่นออมัก็ได้จะทะเลาะ ก, กันไปถ้าไมรได้บวชก็ให้ทะเลาะ ก, กันหรือให้ติเตียนกันอิจฉาลิสยาตัวเคืองอะไรกันมาเอาเรื่องเอาราเอาเอารมณ์เป็นใหญ่เรามาเอาทําเป็นใหญ่อันนี้เราก็เราไปดูนิสัยจิตของพระ บ, บ้างในเมื่อคืนนี้เราคงจะรู้ว่า ศิสายจิตของพระที่ไม่วุนวายอยู่กับใครทั้งหลายนะ่ะเป็นยังไงไม่มีแม้กระทั่งความโลภไม่มีแม้กระทั่งความโรหรือความหลงหรือจะไปโกรธไปเพลองไปอิจฉาหรืยาสติเตียงนินทากรครองเวรครองกรรมก็ใครที่ไหนเลยจิตแล้วก็จะสงบนิ่งอยู่กับลักษณะสิ่งที่ไม่มีอะไรมารบกวน แล้ว เ, เชื่อว่าธรรมมีจริงธรรมก็เมื่อเราปฏิบัติธรรมจริงๆธรรมก็รักษาเราจริงๆคือศาสนาที่เราทำนี่เขาเรียกว่าศาสนากายศาสนาวาจาแล้วก็ศาสนาจิตเราก็นำศาสนากายศาสนาวาจาศาสนาจิตเนี่ยทําขึ้นเขาเรียกว่าครบองศา รู้แล้วกายทำรู้แล้ววาจะทำรู้แล้วจิตทำมันก็เป็นขันทะ้าคือความพอใจอยู่ในเหตุผลของเราที่ทำขึ้นแต่เราก็มาดูดูท่านว่าท่านาจิตหนึ่งไม่มีความทุกข์จิตสองนะ่ะคือลักษณะมีทุกข์เหมือนอย่ากเราเคยเคยใช้กันมาในลักษณะ อจิตสองเนี่ยจิตสองก็เรียกว่าจิตพร้อมกับจิตหนึ่งอ่ะคือจิตอจิตนิ่งแต่ว่าจิตอีกหนึ่งเนี่ยเข้ามาผสมขึ้นหรือเราจะเรียกกันว่าอารมณ์กระดับอารมณ์ถ้ามาทําให้จิตของเราเนี่ยนิ่งไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นจิตที่เรียกว่าตั้งไหลไปไหลมาหรือว่ า, า, าปักฝ่ายไปมาเหมือนกับเราที่ได้ปักฝ่ายกันขึ้น ใ น, ในขณะที่เรามีจิตกรับไฟอยู่กับเรื่องอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นน่ะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่จิตเราเนี่ยเข้าไปยึดถืออารมณ์พาไม่เกิดเป็นความเสียใจดีใจทับแทนใจน้อยใจสารพัดที่จะมาเกิดขึ้นอารมณ์หรือบางทีก็ทําให้จิตเราเพลียขยานยินดี่าปรับไฟไปตามลักษณะ ข, ของความโลภ บางทีก็ทำให้จิตของเราเนี่ยควักไปไปมาในลักษณะความหลงเพราะนั้นเราก็ไปขอทิศสายพามเพื่อจะมามาตรงในลักษณะที่เรียกว่าจิตเราหลงอยู่ในอารมณ์หรือตัวกรรมหรือว่าจิตความกำหนัดนี่แหละทีนี้เมื่อจิตของเราเนี่ยมาตั้งอยู่ในฐานะที่เรียกว่าตั้งจิตพิจารณ า, าแล้วเราก็จะรู้วาระของจิตเราทุกคนว่าเป็นยังไง สิ่งต่างๆที่เราเคยใช้เคยอยู่สิ่งต่างๆที่เคยร้อมกรรมกิมขึ้นมันเป็นลักษณะอย่างไรเ ป, เป็นความตบเป็นความตกขนาดไหนมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรเราก็มาใช้จิตขนาดพิจารณาขึ้นเราก็จะมีความเข้าใจรเรียกว่าเรามาขอนิสยัยธรรมขึ้นพิจารณาทำมาระพุทธเจ้าของเราถึงสุขอากาสาวทั้งหลายเสุข ทำไมเช่นยินดีทำแล้วเราทําไมไม่ยินดีทำมันเป็นเพราะอะไรเราก็มาหาเรื่องสําหรับพิจารณาขึ้นเขาเรียกว่ายกเรื่องขึ้นมาพิจารณาให้เกิดเป็นความเข้าใจเรือตัดความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างในสิ่งที่เลยแล้วมาเ้าเรียกว่าค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆลดค่อยๆละ ก, ก, กันไปตามวิสัยของเราที่ต้องการอยากจะมีจิตเป็นธรรม มีกายเป็นธรรมมีวาจาเป็นธรรมคือเรียกว่าความสมบูรณ์ของธรรมแต่ในความสมบูรณ์ของธรรมที่เรากาลังทำอยู่นี้อาจจะต้องอาศัยการเวลาหรือบางทีก็อาจจะอาศัยถึงควาว่าชาติเป็นชาติเป็นกำเนิดบางทีแล้วก็เกิดมาเสียชาติก็มีถึง เ, เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทำไม่รู้ไม่ชี้กับเรื่องธรรมว่าอายชีวิตของตน มันก็เลยเสียชาติอีกเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายโดยปล่าประโยชน์บางทีเราก็เกิดมาได้ชาติ อ, าอย่างเช่นปัจจุบันอย่างนี้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้จักบุญจักบา ร, รมีแล้วก็สร้างบุญบา ร, รมีกันขึ้ น, นมันก็มีประโยชน์หรือบางทีเราไปเกิดเป็นชาติแบบประเทศที่เรียกว่าห่างเหินก็นไปเป็นพันพันปีเป็น100ป้อ ป, 100 ป, เ ป, ปีเป็นโกปีกับปีก็มี อย่าเช่เนไปตกมาลกเขาอย่างนี้เกิดเป็นสับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียชาติเกิดเกิดมาไม่ได้ทีได้ท่าแล้วเกิดมาก็ไม่มีสติปัญญาแล้วก็ชีวิตข้งเรามันก็ไม่มีคุณค่าขึ้นในชาตินะั้นอันนี้เมื่อชีวิตั้งเรามันกลับชาติมาเป็นลักษณะอ่าผู้มีสติแห่งการระลึกได้ มีสัมปทญญาญยะแห่งความรู้สึกตัวแล้วเร า, เาก็กระทำขึ้นกระทำขึ้นในฐานนั้นที่เรามีสติมีความเข้าใจถึงเหตุผลของธรรมที่เรามาเคารพมาบูชามาสักการะถ้าเขาเรียกว่าเรามาทําศีลมาทําสมาธิและมาทําบัญญานะให้ครบองค์ศาสนาขึ้นศีญญก ล, ก, ลก็แปลว่ารักษาไว้ ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายสมาธิก็แปลว่ารักษาไว้ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายปัญญาก็รักษาไว้ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายทีนี้ไอ้สิ่งที่เราจะรักษาไว้เนี่ยก็มีอยู่สามประการในการซึ่งจะต้องระมัดระวังอารมณ์จะเรียกว่ารักษากายรักษาวาจาแล้วก็รักษาจิตอย่างน้อยรักษากายวาจาและจิตของเราเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่ดี เขาเรว่ามนุษย์ที่มาผู้มีศีลธรรมมีศีลธรรมประจํากายประจํามาจาประจําจิตแต่นที่ถ้าเราไป เ, เกิดเป็นมนุษย์ประเภทที่เรียก ว, ว่าไม่มีศีลธรรมประจํากายประจําจิตแล้วมันจะกลายเป็นมนุษย์ที่กับกลัขึ้นมนุษย์ที่มีแต่บาปมีแต่กรรมมีแต่อวิชชามันก็ไม่ดีเพราะนั้นเรามาจเจ ร, ริญศีลสมาธิปัญญาพาระเจ้าเพื่อการรักษา รักษากายให้ให้เป็นธรรมเขาไว้รักษาวาจาให้เป็นธรรมเขาไว้และรักษาจิตให้เป็นธรรมเขาไว้เหมือนอย่างเราไหว้องค์พระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นผู้รักษาไว้ได้ดีจึงได้เชื่อเป็นสุขโตเป็นผู้ประทานความสุขให้แก่เราได้ได้กระทำตามขึ้นสุขโตในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นสุขโตในขณะที่เราจับไป คือเราเป็นมนุษย์นี่เราก็มีความสุขที่รู้เรื่องอารมณ์เรื่องบาปเรื่องกรรมทั้งหลายแต่นี้เมื่อตายไปแล้วคือระจากโลกนี้ไปแล้วไอ้บาปการรมต่างๆเหล่านั้นที่เราได้ได้รู้อยู่หรือได้ทําความสุขขึ้นก็จะติดตัวเราไปไปปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยให้ผองสายขึ้นอีกแต่นี้ถ้าสุกโตของเราทําสําเร็จคือเรื่องการศึกษาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาตาย ไม่ต้องมารักษาอะไรกันแล้วตอนนี้เรามันต้องเรายังอยู่ในคาว่าผู้ปฏิบัติเหมือนกับว่าคำว่าผู้รักษาเนั่นแหละเราเป็นมนุษย์นะแต่ว่ารู้จักดีจักชั่ว<ม>ก็ควรจะทำตนทังตนเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่ารักษาไว้ซึ่งความดีระวังไว้ซึ่งความชั่วทั้งหลายอย่าไปกระทำในสิ่งที่จะเป็นเป็นความชั่ว ถ้าความชั่วทำให้คนเราเป็นทุกข์ความดีทําให้คนเราเป็นสุขเหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าท่านทําดีท่านก็มีความสุขแต่เนี้ยมาเห็นท่านมีความสุขก็ไม่ใช่ว่าความสุขของท่านนะ่ะจะเป็นความสุขที่เราทําไม่ได้เป็นความสุขที่เราทําได้ในฐานที่เ ร, า, เรามีสติมีสัมปชัญญะถึงแม้ว่าอารมณ์ที่เกิด ข, ขึ้นในจิตยังละวางไม่ได้หรื อ, อยังเข้าไม่ถึงซึ่งอารมณ์ เราก็พยายามระมัดระวังโดยใช้สติของเราเนี่ยเป็นเรื่องพิจาจรณญาขึ้นเรียกว่าระลึกขึ้นถึงคำว่าวบุญกุศลหรือคำว่าการกระทาของพระเพื่อเราจะได้ไม่ให้อารมณ์เนี่ยเข้าไปเกาีกับในกายในวาจาและในจิตของเราเองนนั้นก็จงเรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งกายของความดีวาจาของความดี และก็จิตของความดีเรามีพระพุทธเจา้าเป็นประธานมีพระพุทธเจา้าของเรา เ, เป็นผู้นำพระพุทธเจา้าได้ชื่อว่าเหตุผลผู้นําของเราได้ชื่อว่าเหตุผลงั้นเมื่อเรามีพูะจา้าที่มีเหตุผลผู้นําเหตุผลเราก็เดินไปตามเหตุผลของผู้นําหรือว่าประธานของธรรมเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกิริยาที่รักษาความสุขได้เหมือนกัน หายเช่นเวลาเนี้ยเราได้ทุกคนก็ได้ชื่อว่ามารักษาสินศินน่ะมีอยู่สองประเภทอย่างที่เคยพูดในฝันนะสินนอกแล้วก็ศินในสินนอกนี่เขาเรียกว่าสินวาจานะสินในนี่เขาเรียกว่าสินใจแต่นี่รักษาไว้ขึ้นสองลักษณะในการรักษาสินเนี่ยจะรักษาอย่างไรที่เรียกว่าสินของเราบริสุทธิ์ สินของเราจะดีได้ต้องอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งอยู่ในลักษณการกระทํส4ประการเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการยืนภาวนาหรือว่าศีหาสายญาติุเบกขาทั้ง4ประการนี้เขาเรียกว่าตั้งไว้ซึ่งคำว่ารักษาสินคือจะเป็นสินกายหรืออาจจะเป็นสินวาจาหรือจะเป็นสินใจก็แล้วแต่ ต้องมีสมาธิการกระทำของพร ะ, ะเป็นฐานขึ้นถ้าเราไม่มีฐานของศีลศีลเราก็ไมบริสุทธิ์กันได้พระนั้นเราจะมีการรักษาศีลในลักษณะปฏิบัติธรรมกายขึ้นในลักษณะที่เราก็ทําทําอยู่ปัจจุบันนี้หรือขณะนี้ทีนี้ในขณะที่เร า, เราลองรับไว้ถึงศีลนะครัว่าสมาธิดีแล้วเราก็ใช้จิตของเราเนี่ย ศึกษาสิ่งต่างๆที่จะมาลบลวนศิลของเราเนี่ยให้รู้จักและเข้าใจขึ้นหรือจะ ท, ทําจิตของเราเให้ลหลงไหลไปตามลักษณะของอารมณ์หรือตัวกระทำที่จะทำให้เราเสียสินหรือว่าไม่อยู่ในขอบเขตของสิลขึ้นจึงเรียกว่าปัญญาคือเราใช้สติของเราเนี่ยศึกษาเรื่องราวต่างๆให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วฐานของสมาธิก็จะทรงอยู่ได้คืออยู่ได้ในคําว่าสมาธิ แต่นีาปัญญาไม่มีบางทีสมาธิก็ไม่อาจจะกำหนดอยู่ได้